ตัวดูตัวรู้ตัวเห็นบางทีตัวตัวดูก็ไม่มีแตสร้างขึ้นบางตาที่เราหลับบางทีมันก็ไม่เห็นต้องเลื่อขึ้นต้องเองดินดูต้องสนใจต้องดูหน่อยต้องดูหน่อยอย่าไปหลับหูหลับไหลอยู่ดูแลตรงนี้ดูดีๆเนยให้มันเห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นอต้องเห็นละ่ะเห็นความคิดเห็นความง่วงเห็นความ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 อย่างนั้นเลย อ, อ น, นั้นไม่ใช่การศึกษาเป็นการไปตามอากาศลอยไปเหมะนปลาที่ไหลไปตามน้ำก็เ <c oughs> ป็นถูกรอบถูกด่างถูกกวรถูกแง่เขาเขาก็ไปกินไปค่าหรือว่ามานหรือว่ามานก็ได้โอกาสคืนเราไหลไปสู่มารก <c oughs> ิเลสมารขันธมารมัจจุมาร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 มาเข้ามาเรียกคนป่วยเข้ามามาไหว้พระมาสมาทานศีลมานั่งสมาธิแล้วก็สอนกันไม่มีะไรดอกผีก็ไม่มีอะไรไม่มีดอกมีแต่พระพุทธประธรรมประสงผูดีๆเนี่ยพ่อก็ชอบแบบเด็ก็เรียนแบบนี้อธิบดีต้องเรียนแบบนี้ <c oughs> กิจเกสิศรูปในพานเข้าไปเลยปรามัดเนี่ย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 ก็ติดที่นี่แหละสัตว์ทั้งหลายอารูปพบก่อติดในความไม่มีรูปติดในฌานในฌานติดในความสุขที่ไม่มีอะไรว่างเปล่าตอนนี้ก็เรียกว่ า, ารูปพบอรูปพบกาวมาพบรูปพบก็กำเนิดทั้งสีก็ <c oughs>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 ตายก็ไม่ได้ไมีซากศพเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมอมเวทนาเนี่ยมีขันคือรูปเนี่ยรูปเนี่ยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันเกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพวกนี้เกิดขึ้นได้ขันคนดเดียวคือความคิดเติมขี้ไหนไปได้แต่พฟื้นติมฟื้ความคิดเนี่ย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 เอาเกิดปัดขึ้นเป็นเปรตหิวก็หายท่องเท่าภูเขาปากเท่าทุกเข็มไม่มีเมียคนนี่ก็ไม่พออยากได้เบียคนนั้นไม่สามีคนนีไ้ไม่นอนไม่นดหิวหิวในความคิดการหิวหิวก็หิวได้หลายอย่างเช่นอ <c oughs> โอ้เช่นนั้น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 อืมอะไรนะว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่หิวน่ะภาษาบาลีเขาว่าอะไรวัลลัชตูไปคีวีอะไรนะวัลลัชตูไปคีวีนอแล้ววัลลัชตูไปคีวีผู้ที่รอความรอคนอื่นให้ทําให้หวังจากคนอื่น พ่อแม่ก็หวังอยากให้ลูกทำให้ตราบใดที่ลูกเรายังม่ดีเราสุกไปได้ดอกตราบใดสามีเรายังไม่ดีเราสุกไปได้ตราบใดพันญาะย์พัญญาเรายังไม่ดีเราสุกไปได้รอความหิวน่ะหิวอย่างงั้นแหละอ่าอย่าไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปรอความให้คนอื่นทำให้ลูกไม่ดีเราก็สุกได้สามีไม่ดีพันยาไม่ดีเพื่อนไม่ดี เราก็สศงได้อย่าไปเอารอเพราะน <c science> ต้องรอคนอื่นดูทิศให้น่กําลังรอผลบุญจากคนอื่นเนี่ยทําเอาเราไปรอมันหวังลมๆแรงๆเนาะต้องทํา <c ười> <c ười> ต้องทํา <c ười> ต้องทํา <c ười> <evet> <c ười> เอาอย่ยไปรอหน้าที่ของเรา <c ười> เรื่องลูกหน้าที่ของเราทําดีแล้วอิม่มอิ่มในหน้าที่ของเราอะไรอก็ทําหมดแล้ว <c ười> สอนหมดแล้ว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 ถ้าผู้ใดก น, นกลมกำเนิดของการเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ได้ก็เรียกว่าการเข้าไประงับดับเสียซึ่งสังขารอยู่เป็นฉกเรียกว่าหยุดเกิดหยุดเกิดดีแต่กิริยาไม่ต้องไม่ไมีรักมีชังไม่ต้องไปมีฉกไม่ไมีทุกเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันลุ่นรุน่รน